Thank mm -hmm. you.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 เปิดได้ปิดในขณะเดียวกันได้ลูได้หลงในขณะเดียวกันต้องขยันตรงนี้ขยันตรงนี้อย่าประเมินเป็นผลเป็นอะไรไปสำหรับตัวเราอยเอาตัวเราเข้าไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาตัวปฏิบัติเป็นเหตุเป็นปัจจัยมอบให้ตัวปฏิบัติมอบให้ผลงานของการการะทํา ไม่ต้องไปใช้สมองเหตุผลต้นปลายความชอบความไม่ชอบอันใดให้เป็นการปฏิบัติล้วนล้วนเป็นการกระทําล้วนล้วนการกระทําล้วนล้วนเรียกว่ากรรมกรรมมันจะจําแนกไปเราเจริญสติเราสร้างสติที่ยะที่สร้างก็มีลักษณะที่ผลของการสร้างก็มี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 เป็นความลู่ล้วนล้วนบริสุทธิ์เป็นการกระทำล้วนล้วนบริสุทธิ์จะเอาความยากความง่ายเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไปข้างหน้าไปข้างหลังประเมินผู้ปฏิบัติมาไม่แนม่มานอนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไปประเมินจะไปประเมินอันอื่นจะไปประเมินอดีตจะไปประเมินอนาคตกาปรปฏิบัติเป็นปัจจุบัน ลูกก็เป็นลูกปัจจุบันหลงก็เป็นหลงปัจจุบันสิ่งไหนที่มันเป็นปัจจุบันมันทำได้เป็นโยงก่อนเราเราก็ไล่โยงออกเราเหยียบน้าเราก็ไม่ต้องเหยียบน้ำเราก็เอาหนามออกเป็นปัจจุบันการเหยียบน้าไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตเหมือนหลวงปู่เทียดที่ถูกอาจารย์สอบอารมณ์เล่าให้ฟัง อาจารย์ถามว่าเกลือมันเค็มไหมผมกูเทียนก็ตอบแบบนักกรรมฐ า, านเกลือมันก็อยู่ในกระถอเมือ่อใดผมยังไม่เอาเกลือมาใส่ลิน้นมันก็ยังไม่เค็มมันไม่เค็มถ้าเกลืออยู่ในกระถอเดี๋วผมก็นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็เงียบอ่าเขถามอะไรอีกมันมี เสือตัวหนึ่งมันดุคนยิงมาอยู่ในป่าตรงนั้นมันใส่เป็นกําลังดุไล่ยอยู่ถ้าพ่อเทียนอยู่โน่นบ้านโน่นอาจารย์อยู่นี่แต่ว่ามันมีป่าอยู่ตรงกลางอาจารย์จะสั่งให้มาหาจะกล้ามาไหมจะกลัวไหมผมก็ยังไม่เห็นเสือผมก็ยังไม่กลัว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 อะไรอะไรก็ตามมันต้องเป็นปัจจุบันนักปฏิบัติก็ต้องจงให้มีการกระทาจงให้มีวิธีปฏิบัติเป็นปัจจุบันแบบนี้มันจึงจะรัดสั้นเข้าไปไม่เนิ่นช้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วคิดหน้าคิดหลังอาจารย์อย่างนั่นอาจารย์อย่างนี้คนนั่นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติไปแล้วเป็นอย่างนั้นผู้ยังไม่มาปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีทุกข์มีความยากเราก็เป็นคนมีศีลมีธรรมทำไมต้องปฏิบัติเราก็ทำแต่ความดีอยู่ทำไมเราต้องปฏิบัติก่อนรถตะโลดตกไปซะไม่เป็นปัจจุบันเอาอาดีตเอาอนาคตเอาตัวเองมาประเมินปฏิบัติเป็นภาคที่สัมผัสนะ เป็นภาคสัมผัสสัมผัสกับความรู้สึกตัวสัมผัสกับความหลงถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้สัมผัสกับความรู้กับความหลงมันก็ไปเห็นของเก่งเมเตอร์ความรู้ที่เป็นสมองที่เป็นเหตุเป็นผลตั้งเอาไว้แต่มาปฏิบัติภาคปฏิบัติมันต้องลงสนามต้องประกอบต้องสัมผัสเราความรู้สึกตัวก็สัมผัสอยู่ที่กายที่มือที่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 เขากเองก็เคยจัดสรรตัวเองในลักษณะแบบนี้เพรขณะที่ปฏิบัติสมัยปฏิบัติใหม่ๆก็มีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมเยอะแยะหอย่างทั้งชอบทั้งไม่ชอบถ้าจะเอาความชอบความไม่ชอบมีมากไปถ้าจะจะเป่าความผิดความถูกไป ม, มากไปต้องแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปให้ถึงการกระทําความชอบความไว้ชอบความผิดความถูก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 แม้บางทีไม่ได้นฟองเทศหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี้จกักนี้จะไปแบบหมดอะไรก็ไม่บางครัง้งบางคราวเราก็จัดสรรตัวเองเกาพูดกับตัวเองขี้ดําตัวเองนี่เราเจริญสตินี่เรารู้สึกตัวนี่นี่เราเห็นความหลง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 ยาพอก็บอได้ผิดได้ถูกกับคุณเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเอออันนี้พูดแบบหนึ่งก็พูดถ้าฟังไม่ถูกก็เข้าใจว่าทอดทิ้งอไม่ใช่เป็นการกระทําที่เราฟังแล้วมันต้องมีการกระทําเกิดความเข้มแข็งเา้ามันจะผิดมันจะถูกเป็นเรื่องของเราเราปฏิบัติเราโลภทำเป็นเรื่องของเราเราไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเรา เราทำอยู่นี่เราจเจริญอยู่สติอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ได้สนุกได้แก้ความผิดเป็นความถูก <_ t od ic> ก็เป็นฝีมือของเราแก้ความหลงเป็นความรู้ก็เป็นฝีมือของเราแก้ความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็เป็นฝีมือของเราแก้ความโกรธให้เป็นความไม่โกรธก็เป็นฝีมือของเรามันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ปฏิบัติทำ น, นะมันเป็นงานเป็นการ มันพอ อ, อกพอใจมันสมเหตุสมผลกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเป็นเป็นงานก็หลอกมันง่วงเงาหอ น, อนเออมันก็มีเนะาะผมง่วงเราก็รู้สึกตัวมันมกมุ่นคุณนชิดเราก็รู้สึกตัวบางทีมันฉายมาฉายทั้งอดีตอนาคตเราก็รู้สึกตัวอดีตมันก็แจ้ได้อนาคตมันก็แจ้ได้เพราะเราทําอยู่นี่ บางทีอนาคตยังไม่มาเราไปแก้มันอดีตผ่านไปแล้วจะไปแก้มันมันเสียเวลาปฏิบัติมันทันทีมันเปิดปิดทันทีมันทำทันทีเนี่ยปฏิบัติธรรมมันเป็นของที่ทำได้ทันทีเป็นปฏจจดตังทันทีอย่างนี้นะจึงไม่ต้องกลัวหลอกจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาเรามาหัดเรามาฝึกเรามาเริ่มต้นกันถ้าไม่มีเริ่มต้นมันก็ม่ไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุด มีแต่ลำดับลำนํำเฉยๆเป็นความคิดเป็นความรู้มันใช่ไม่ได้หรอกความรู้นะความรู้ถิดรู้อะไรมากๆมันใช่ไม่ได้มันต้องมาเห็นจริงๆเป็นปัจจัตตังเห็นความหลงไม่ใช่ความรู้แล้วเป็นปากเป็นภาคปฏิบัติรู้สึกตัวเห็นความทุกข์เห็นกิเลสตัณหาเห็นความลังเลสงสัยเห็นความยึดมั่นถือมันโอ้ยมันเห็น หูกับตาคาหนังคาเขาการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันก็สมนําหน้ามันจริงๆสมําหน้าตัวเราไม่มีอะไรที่จะได้ชัยชนะประเสริฐภูมิโบกภูมิใจเท่ากับชนะตัวเราหรอกแล้วมันก็มีอยู่ทุกขณะการปฏิบัติธรรมที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปเก่งกับสิ่งอื่นต้องมาเก่งกับตัวเรามาเก่งกับตัวเรามาสอนตัวเรานี่ยแหละตัวเรานี่มันก็งู้งงหรอกบางครั้ง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 เป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นพระสงฆ์เป็นพรมเป็นอินเป็นอะไรก็ตามมันขณะเดียวกันบ๊อแปมแปเห็นเงินเห็นไขเห็นส้นมันอยู่มันก็ตามไปได้อยู่มันไม่ใช่ได้ตามแบบความคิดมันตามแบบการพบเห็นเราตามแบบการพบเห็นไม่ใช่คิดคะณ์คำนวณ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 มันจึงจะเป็นของจริงมันจึงจะเห็นเป็นปัจจัตัตงเห็นปจจุบันมันมีอยู่มันหลงที่กายเก่ากายนั่นแหละเป็นตัวไม่หลงมันหลงอยู่ที่จิตเก่าจิตนั่นแหละเป็นตัวไม่หลงน้ำนํำยกกับน้ําบ่งเหตุัำเกิดอยู่ที่ไหนต้องดับตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นเยธรรมาเหตุตุปภะวะแต่สังเหตุตรงตถาคโตเนสันจะโยนิโรโทรจะเอวังว่าที่มาสมโม อาถาพระอาจารย์สอนภาษาหลีบุตรเท่านี้เองได้เป็นพระอริยะบุคคลชั้นตุนเพราะปฏิบัติมันอยู่ในตัวของมันเองมาพร้อมกันมันก็ทันทีทันได้มีสติตัวที่กายมันก็มีแล้มันหลงอยู่ทีกายมันก็มีสติเดียวกันไม่ไม่เสียเวลาความหลงกับความโูภเป็นปัจจัตังทันที อาพร้อมๆกันเราก็สนุกเปลี่ยนก็หลงปลอมลูกอาวไปเอามาเอาตัวหลงนี่กับตัวลูกเท่านั้นตัวหลงกับตัวลูกเท่านั้นขณะที่เราทําอยู่นี่แม้แต่ความโกรธกิเลสตัณหาต่างๆก็เกิดจากความหลงเท่านั้นแหละเอามันเงื่อนไขไปอยู่ตรงนี้อ่าเรารู้สิกตัวแล้วก็แล้วคุมแล้วคุมกําเนิดของความหลงแล้วก่อนที่มันจะโกรธก่อนที่มันจะกิเกิดกิเลสตัณหาล่คะ ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดจากความหลงเราก็จับมันมาดูต่อหน้าต่อตาวันยอ่อย่อโลกทั้งโลกมาอยู่ในกำมือมาดูโลกของเรากายคว่างสองยาวานาคืบไม่แต่เป็นลูกรถเกณเสียงอดีตอนาคตหรือว่าพบภูมิต่างๆเป็นเปรตเป็ น, ปนอสุรกายสัตว์โลกในไรชานเป็นมนุษย์เป็ น, น, เ, ปนเทวดาเป็นพรมเป็นพระ อะไรก็ตามมันยืมาให้เราดูแล้วเราก็ทําอยู่นี่แหละการเจริญสติที่เราทําแบบนี้ทันทีมันก็ทําดีทันทีมันก็ละความชั่วไปขณะเดียวกันมันเราจุดตะเกียงแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ถ้าเป็นน้ามันเป็นกิเลสน้ามัน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 อะไรต่างๆที่มันเกิดจากความหลงมันก็อเหตุแห่งบางอย่าไม่ได้ไปทําเลยหรือจะพูดแบบว่าความโลภความโกรธความหลงมันหมดไปเมื่ อ, อไรไม่รู้เลยถ้าเราเจริญเตถนยรนนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีศีลมีสมาธิปัญญามันมีเมื่ อ, อไหรไม่รู้ผมเมื่อเราดูไปดูไปวันเจวันโอ้เราอยู่กับศีลมาตั้งเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยเราเสดศีลมาช่วยเราแล้วน่ะ สมาธิมาช่วยเราทั้งนานเราไม่รู้ปัญญาช่วยเราทั้ง น, นั้นเราไม่รู้มีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้บองอย่างไม่ใช่รู้ก่อนรู้เป็นก่อนเป็ น, เ, ปนเห็นก่อนเห็นมาลงปูตเตียนตอบอาจารย์มหาสีจันทร์ถ้าเห็นถ้าเกลือมันมีจึงก็จะมากินแล้วจึงจะรู้ว่ามันเค็มไม่ใช่ไปกลัวว่าเสืออยู่ตรงนั้นคิดกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว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 แต่คนส่วนมากเนี่ยเข้าใจว่ารักษาศีลรักษาศีลต้องสมรวมต้องเพ่งจ้องอยู่เช่นนั้นแต่รักษาศีลเนีไม่บริสุทธิ์การเจริญสติเนี่ยแบบที่เราทําอยู่มันก็เป็นการรักษาศีลโดยตรงอยู่แล้วเป็นการกระทําอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรสร้างสติจะ้ลูกมือเคลื่อนไหวมันก็เป็นการ รักษาศีลเกิดขึ้นขณะเดียวกันแล้วก็มีศีลขณะเดียวกันรู้เท่าไรก็มีศีลเท่านั้นขณะที่เราสร้างสติยกมือเคลื่อนไหวอยู่นี่มันก็เป็นการละความชั่วมันก็เป็นการทำความดีมก็ทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์ขณะที่เราเจริญสติยกมือเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่มันก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาอยู่แล้วมันเป็นไตรสิกขา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 เห็นต่อหน้าต่อตาทํำกับมือกับชีวิตจิตใจของเราถ้าหากว่าจะเป็นสวรรค์ก็สัมผัสได้ถ้าจะเป็นอวัยวภูมิก็ปิดได้ดวยการกระทําของเราเราจึงไม่ต้องกลัวแล้วมันก็อยู่กับเราก็ไปนะอะลุยมันเลยโลกนะถ้าเรามาลุยตัวเองได้แล้วแหลกแล้วเหยียบปดแล้วความโง่หลงมงมงายความโลภความโกรธความหลงแหลกไปแล้ว เหมือนจัดแห่งทำหมุนไปตรงไหนมันก็แหลกไปเลยเอาก็สนทั้งทำทั้งหลายแหลกเลยเรียบไปเลยอย่างนี้นให้มันเรียบอยู่ในชีวิตของเราการปฏิบัติมันก็ลุยเคยเปรียบเทียบให้ฝังการเจริญสติสติเหมือนไม่กวดไปตรงไหนไม่กวดผ่านไปตรงไหนตรงนั้นสะอาดที่ฝุ่นไปแต่ไม่กวดการเจริญสติ เราทำอยู่นีเหมือนกับใบเม็ดถูกรถแท็กเตอร์ใบเม็ดผ่านไปตรงไหนตรงนั่นก็เรียบทันทีเหมือนกับการเขาทําถนนหนทางใส่ใจที่จะลู่อยู่เรื่อยๆไปมันก็เรียบไปเรียบไปเรียบขนาดเดียวกันไม่กวดกับความสะอาดไปพร้อมๆกันมันไม่ต้องรอแม่แต่เสี้ยววินาทีการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เรามีศึกษาอะไรมากลู่อะไรมาก แต่มองของเรามันเขโกไปไหนไปลู้ไปจําไปจดไปคิดไปเลยมายึดอะไรไว้ไม่รู้สมัยก่อนคนไม่ค่อยมีอะไรมากๆใหมาๆเหมือนพวกเราทุกวันนี้มีแต่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินั้นคนโ บ, บราณโลกเต่าก็ได้ยินแต่พ่อแต่แม่กับครูอาจารย์ถ้าการบอกการสอน นอกจกนั้นก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาถ่องผ้าผ้า ล, ผล่องฝนตกแผ่นดินป่าไม้สัตว์สาะไรสิ่งไม่มีอะไรที่ให้ข้อมูลที่มันทําให้ติดทําให้เปิดเปื่อนในชีวิตจิตใจเสียงเพลงเสียงดนตรีมอสลมอะไรวิธีสื่อสารไม่ค่อยมีรถทัชทัศร์รถทรถัอะไรไม่ค่อยมีรถลาไม่ค่อยมีเดินเท้าเปอด ตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งปีตอนเย็นมาก็มานั่งใกล้รอบพ่อรอบแม่พ่อแม่ก็เล่านิทานนิทานก็เป็นเรื่องดีๆเนี่ทวันเนี่ยโอ้ยมันหลายหลายอย่างพอที่จะแวกเข้ามาหาความรู้สึกตัวเนี่ยมันขวงกันไว้เยอะๆมันติดมันเปืะมันเพื่อนอะไรมาไม่รู้ถูกช้ำถูกร่องรอยในกายในใจร่องรอยในใจมันก็เรามาซ่อมนั่นแหละ เขาอู่สอบ ม, มันเสียมันมือสองกิวิตมือสองถูกชนมาถูกลิกถูกชังถูกได้ถูกเสียถูกปิดถูกถูกปิดวังได้สมวังมีความสุขสะดวกสบายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทวบุตรตมานติดสะดวกสบายเทวบุตรตมานเกิดมาในกองทรัพสมบัติพัสถานทรัพเสิสงสะดึงขาน ไห้พาประชาชนหมูมิดเพื่อน้งติดสุกหันโยมผู้หญิงก็จะจะไม่ปี518ออกไปเดินทุดงกับหมูหลงคอเป็นคุดตายเป็นคนนา ย, นนนายตื่นขึ้นมาก็มีลุกจากที่นอนก็มานั่งโต๊ะนั่งโต๊ะก็มีแป้งสีฟันใส่ ย, ยาไว้พร้อมใส่ ย, ยาสีฟันติดแปลงไว้บนแก้ว เมีน้ำอุ่นตั้งอยู่ตรงนั้นแปลงพันด้วยน้ำอุ่นๆุพอแปลงพันน้ำอุ่นๆุ่นเสร็จแล้วหางหน้ า, นาล่างตาเขาห้องน้ำห้องส้วมออกไปนั่งที่เก่ามีน้ำโอวันเินมีกาแฟเลือกกินได้ทุกวันทุกวันเอาไปมาเขาก็เกิดการเบื่อหน่อยมันจะมีอยู่นี่หรือชีวิตเนี่ย มันจะเป็นขนาดนี้เลยเขาก็ออกตีไปเลยไปเดินทัวลงกับหมู่หลวงพ่อไปสามเดือนไปเลยแล้วที่ก็กบวชเป็นแม่ชีมาบวชที่นี่แหละอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเขาทำศัพท์อายุแปดสิบกว่าปีแล้วยังคิดจะรับผิดชอบเขาอยู่เรื่องขอเข า, าข อ, อยู่กับหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็สมัยก่อนมันไม่มีอะไรจริงจริงสะพานก็ไม้ท่อนเดียวไต่เอา เดินไต่สะพานข้ามลําปะทาวไม่ท่อนเดียวทำไมก่อนหลวงพ่อกับหนุ่มๆก็เดินไต่ย้อย ๆ, ยอยๆไม่ต้องไปมีหล่าจับหพ่อก็บอกเขาเดินมาเดินมาเขาข้ามหลวงพ่อเดินกลับไปกลับมาเขาดูเขาเดินมาเขาขาดเดีวโอ้ไม่ไปคิดดูทวนเลยถ้าเขาตกลงไปนั่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นเทพบุตรตัมมานเป็นสิ่งที่ขวงขัน้นติดสุขติดสะดวกติดสบายติดความโลภติดอะไรต่างๆ ก็อ่อนแอนะความสะดวกสบายทํำไมอ่อนแอลองมาปฏิบัติมันลุยๆสักหน่อยได้ น, ะนั่ ง, งสร้างจังหวะวางกดกดต่อรองนั่งเฉยๆกัได้เลยหลวงพ่อดูลมหายใจได้เหมือนกันแต่การเจริญสร้างสติแบบนี้มันขยันนะขยันลู่เป็นจังหวะขยันลู่เป็นจังหวะเก็บลู่เก็บลู่มันก็บริหารร่างกายไปพร้อมๆกันเดินจงกรมก็บริหารร่างกายไปพร้อมกัน ดีไม่ดีโรคไข้ไข้เจ็บหายไปเลยจะว่ายังไงหลายหลายอย่างที่เราเจริญเศรษแบบนี้ระหว่างเรายกมือสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไปไปมาระหว่างไหลระหว่างแขนต้นคอหน้นาอกเกิดพลังขึ้นมาเข้มแข็งเดินจงกรมทั้งหมดเลยเข้งแข็งทั้งหมดเลยเดินจงกรมเพราะฉนั้นเนี่ยมันฝึกหลายๆอย่างขณะที่เราฝึกกรรมฐานแบบไห้มันฝึกได้หลายหลายอย่างเกิดความเข้มแข็ง มีโยมคนหนึ่งนะเป็นโรคเบาหวานหมอบอกวา่าจะตายเพราะโรคเบาหวานนี่แหละไปด้วยกันตลอดชีวิตเอาเลยไม่ยอมเดินจงกรมอยู่วัดอาจารย์มหาไหลวัดป่าหนองคู่เดินจงกรมจนแก้มโสดลงมาย่อนลงมาถึงคางนปั่นท้ายย่อนลงไปเนี่ยฟัดโตเลตะโตเลตะโตเลตะ เ, ลเวลาเดินจงกรมงัวไหลา ย, ยางตายออก จะไม่ยอมตายเพราะโลกวานหาวิธีต่างๆเดินจงกรมจนจะเป็นหลมเอาให้มันเหน็ดเหนื่อยไม่ละยางไม่ใช่เหงื่ยยอย้ายออกเดินนั่นเอาไปมาก็หายเลยโลกวานเออมันเป็นได้ยังไงสู้กำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังความเพียรศรัทธานะพนัางทีมันไปนได้นะ ศรัทธานี่ยมันซับน่ะทลุงไปเลยนะให้มีพร้อมๆกันหลายอย่างสนับสนุนในการปฏิบัติมีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนมีสติไปพร้อมๆกันกับการปฏิบัติใสยมูลโมรดกของพระพุทธเจ้าคอยช่วยอย่างน้อยเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดเหล่าถึงเหล่าพระสาวบก นายกนี่สมัยนี่สมัยก่อนหลวงพ่อก็คิดถึงพระสาวกทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจา้าคิดถึงกบะศก์กบะศิกาผู้ที่เลื่เลิศในสมัยของพระพุทธเจ้าเอ้ามาอยู่ปัจจุบันเอ้าคิดถึงหลวงปู่เทียนดูหลวงปู่เทียนเอ้าท่านก็สอนท่านก็ทําให้ดู